261. ผู้พ้นทุกขะอริยสัจชื่อว่าเป็นผู้มีอำนาจไหมละ่ะแล้วอำนาจนั้นมีจริงหมายหรือหลอกชาวโลกมีจริงแน่ถ้าศึกษาให้สั ม, มาทิฏฐิพระพุทธเจ้าตรัสว่าตราบที่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ด้วยสามมาทิฏฐิอยู่ตราบนานโลกไม่ว่างจากอารหรันผู้เป็นอรหันนี้แลคือผู้มียอดแห่งอำนาจที่เป็นธรรมมาทิปไตยอำนาจที่เป็นธรรมะทำให้คนพ้นทุกขอาอริสัตย์พ้นโศกะปริเทวะทุกขะโทมณัสสะอุปายาตได้อย่างจริงแน่แท้ยิ่ง อำนาจที่เป็นธรรมมาทิปไตยคืออำนาจอย่างไรคือหนึ่งผู้สามารถรู้ยิ่งในธรรมะที่เป็นโลกและสองผู้สามารถรู้ยิ่งในธรรมะที่เป็นอัตตาหรือเป็นตนผู้ที่จะมีธรรมมาทิปไตย จึงต้องศึกษาอำนาจในโลกหรืออำนาจของโลกโลกาธิปไตยและต้องศึกษาอำนาจในตนหรืออำนาจของตนอัตตาธิปไตย 1. นึ่อำนาจในโลกหรือของโลกผู้ศึกษาต้องสำ ม, มาทิติแล้วปฏิบัติจนกระทั่งมีธรรมะเป็นอำนาจในความเป็นโลก 2. อำนาจในอัตตาหรือของตนผู้ศึกษาต้องสัมมาทิฏฐิแล้วปฏิบัติจนกระทั่งมีธรรมะเป็นอำนาจในความเป็นตนเริ่มข้อหนึ่งผู้ที่มีอำนาจอยู่เหนือโลกคือโลกุตละจึงเป็นผู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นโลกเรียกว่าโล ก, กวิทู แล้วสามารถทำให้อํานาจในโลกหรืออํานาจของโลกนั้นๆโลกาทิปไตยไม่สามารถอยู่เหนือเราได้สําเร็จจริงอํานาจความเป็นโลกไม่มีอีกสําหรับตนเรียกว่าผู้หลุดพ้นโลกผู้สามารถปานชนี้ควรได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอํานาจหมล่ล่ะ